ที่ประชุมสงฆ์ณเชตวันมหาวิหารสมณะทั้งสองเดินดุ่มผ่านทุ่งกว้างเข้าสู่เขตป่าโปรง่งมีทางพอเดินได้สะดวกสมณะซึ่งเดินนำหน้ามีอินทรีย์ที่ผ่องใสมีสายตาทอดลงต่ำผิวขาวละเอียดอ่อนลักษณะแสดงว่ามาจากวันสูงอากัปกิริยาและท่าทีเยื่องย่างนั้น หน้าทัศนานามาซึ่งความเลื่อมใสปีติปลาโมดแก่ผู้ที่พบเห็นยิ่งนักผ้าสีเหลืองหม่นที่คลุมกายแม้จะทำขึ้นอย่างง่ายๆไม่มีรูปทรงอะไรแต่ก็มองดูสะอาดเรียบร้อยดีส่วนสมณะผู้เดินอยู่เบื้องหลังแม้จะมีส่วนสูงไม่เท่าองค์หน้าแต่ก็มีรูปร่างอยู่ในขนาดเดียวกันท่านเดินได้ระยะพอ ง, งามไม่ห่างนักและไม่ชิตจึงเกินไป ทั้งสองได้เดินทางมาถึงสองแพ่งเมื่อสมณะผู้เดินหน้ามีอาการว่าจะเลี้ยวไปทางขวาสมณะผู้เดินอยู่หลังก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ต้องการจะไปทางซ้ายพระเจ้าค่าอย่าเลยนาคาสมาละตถาคตต้องการจะไปทางขวาเรามีเรื่องสําคัญที่จะต้องไปโปรดสัตว์ทางนี้ ข้าพระองค์ต้องการจะไปทางซ้ายพระเจ้าค่าพระนาคาสมาละยืนยันยาเลยนาคาสมาละมากับตถาคตทางขวานิเถิดพระพุทธองค์ทรงห้ามถึงสามครั้งแต่พระนาคาสมาละก็หาหยอ่อไม่ในที่สุดท่านก็วางบาทของพระผู้มีพระภาคไวในทางสองแพง่งแล้วเดินเหลีกไปทางซ้ายตามความปรารถนาของท่านพระจอมุนีสัขยบุตร ต้องนำบาดของพระองค์ไปเองและเสด็จไปโดยโดดเดี่ยว พระเมขียะเป็นพระอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์เสด็จไปยังชันตุคามเขตปาจีนวังสะมีพระเมขียะตามเสด็จในเวลาเช้าพระเมขียะไปบิณฑบาตในชันตุคามกลับจากบิณฑบาตแล้วก็เดินผ่านสวนมะม่วงอันเป็นที่รื่นรมแห่งหนึ่งปรารถนาจะไปบำเพ็ญสมณธรรมที่นั่นจึงกราบทูลขออนุญาตพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงห้ามถึงสาครั้งว่า อยเพิ่งไปเลยเนกิยะเวลานี้เราอยู่คนเดียวขอให้ภิกษุอื่นมาแทนเสียก่อนแล้วเธอจึงค่อยไปความจริงพระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยของพระเมกยิยะว่ายังไม่สมควรที่จะไปจึงไม่ทรงอนุญาตหาใช่เพราะทรงคํานึงถึงความลําบากไม่และไม่ใช่พระองค์จะไม่ทรงเห็นความจําเป็นในการบําเพ็ญสมณธรรมเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องบําเพ็ญสมณธรรมนั้น พระพุทธองค์ทรงส่งเสริมภิกษุให้กระทำอยู่เสมอๆเอพราะเมกิยะไม่ยอมฟังคำท้วงติงของพระพุทธองค์ละทิ้งพระองค์ไว้แล้วไปสู่สวนมะม่วงอันรื่นรมบำเพ็ญสมณธรรมทำจิตให้สงบแต่ก็หาสงบไม่ถูกวิตกทั้งสามรบกวนจนไม่อาจทำจิตให้สงบได้เลยวิตกทั้งสามนั้นคือกามวิตกความตรึกในเรื่องกาม พยาบาทวิตกความตรึกในทางปองรายและวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนในที่สุดจึงกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าเมขิยะเออยจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนกวัดแว่งรักษายากห้ามได้ยากกูมีปัญญาจึงพยายามทําจิตนี้ให้หายดิ้นรนและเบนจิตให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรง เมกิยะเออยจิตนี้คอยแต่จะเกลิ้งเกลือกลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณเหมือนปลาซึ่งเกิดในน้ําถูกในพรานเบ็ดจกขึ้นจากน้ําแล้วคอยแต่จะดินลงไปในน้ําอยู่เสมอผู้มีปัญญาจึงพยายามยกจิตขึ้นจากอะไรในกามคุณให้ละบวชมานเสีย ใน20ปีแรกจำเดิมแต่การตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคคือระหว่างพระชนมายุ35ถึง54พรรษาพระพุทธองค์ไม่มีราษาวกคูยูอุปถากประจำบางคราวก็เป็นพระอุปวานะบางคราวพระนาคิตะบางคราวพระสุนัขคตะบางคราวพระสาคาตะบางคราวพระราธะบางคราวพระนาคสมาระ และบางคราวพระเมขิยะที่กล่าวแล้วบางคราวก็เป็นสมณเณรจุนทะผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคได้รับความลำบากด้วยการที่ภิกษุผู้อุปถากไม่รู้พระทัยของพระองค์ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆถ้าจะมีผู้สงสัยว่าเหตุไฉพระพุทธเจ้าจึงต้องมีพระอุปถากประจำด้วยดูดูจะม่เป็นการยังถือยศศักดิ์ถือฐานะอยู่หรือเรื่องนี้ ถ้าพิจารณาได้ดีจะเห็นความจําเป็นที่พระองค์จะต้องมีพระอุปถาคประจําหรือผู้รับใช้ใกล้ชิดเพราะพระองค์ต้องทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าต้องมีการประชุมสงฆ์เป็นคราวๆและต้องต้อนรับคฤหอขัดบรรพชิตมากหลายที่มาเฝ้าเพื่อถวายปัจจัยบ้างเพื่อทูลถามปัญหาข้อข้องายบ้างในบรรดาผู้มาเฝ้าเหล่านั้นที่เป็นมาตุคามหญิงก็มีมากจะเห็นว่า พระองค์ไม่ทรงคนประทับอยู่แต่ลำพังแต่ก็มีนานๆครั้งที่พระศาสดาทรงปลีกพระองค์ไปประทับแต่ลาพังในระยะนั้นเป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ไม่ทรงต้อนรับผู้ใดทรงลีกเลนเพื่อสแสวงหาความสุขในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารด้วยประการดังกล่าวมานันนี้จึงคราวหนึ่งเมื่อพระองค์ประทับอยู่นะ เชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีราชธานีแห่งขวนโกศ น, นั้นพระเทระชั้นผู้ใหญ่เป็นจานวนมากมีพระสารีบุตรพระมหาโมฆลลานะเป็นต้นมาประชุมพร้อมเพราะผู้มีพระภาคได้ทรงปลาลบในถ้มกลางสงว่าบัดนี้พระองค์ทรงพระชราแล้วภิกษุผู้อุปถักพระองค์บางรูปก็ทอดทิ้งพระองค์ไปเฉย บางรูปวางบาทและชีวรของพระองค์ไว้บนพื้นดินแล้วเดินจากไปจึงขอให้สงเลือกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นรับตาแหน่งอุปถาพระองค์เป็นประจำภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระดำรันนั้นแล้วมีความสังเวชสลดจิตอย่างยิ่งพระสารีบุตรได้กราบทูลก่อนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดวงตาโลกข้าพระพุทธเจ้าขออาสารับเป็นอุปถาปฏิบัติพระองค์เป็นประจา ขอพระผู้มีพระภาคอาศัยความอลุเคราะห์รับข้าพระองค์เป็นอุปถากเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสขอบใจพระสารีบุตรแล้วตรัสว่าสารีบุตรยาเลยเธออย่าทำหน้าที่อุปถากเราเลยเธออยู่นาที่ใดนั้นก็มีประโยชน์มากโอวาทคาสอนของเธอเป็นเหมือนโอวาทของพระพุทธเจ้า เธอสามารถหมุนธรรมจักรให้เป็นประโยชน์สุขแก่พวงชนเช่นกับด้วยเราผู้ใดได้เข้าใกล้เธอเหมือนได้เข้าใกล้เราผู้ที่สนทนากับเธอเหมือนกับได้สนทนากับเราต่อจากนั้นพระมหาเถระรู ป, ปอื่นๆต่างก็แสดงความจำนงจะเป็นอุปถากปฏิบัติพระพุทธองค์เป็นประจำแต่พระองค์ทรงห้ามเสียทั้งสิ้น คงเหลือแต่พระอา น, นุ์เท่านั้นที่ยังคงนั่งเฉย อ, อยู่พระสาริบุตรจึงกล่าวเตือนพระอา น, นุ์ขึ้นว่าอานนุ์เธอไม่เสนอเพื่อรับเป็นอุปถากพระผู้มีพระภาคหรือทําไมจึงนั่งเฉย อ, อยู่ข้าแต่ท่านธรรมเสนาบดีอันตําแหน่งที่ขอได้มานั้นจะประเสริฐอะไรอีกประการหนึ่งเล่าพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบอัตยาศัยของข้าพระเจ้าอยู่ ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ก็คงจะตรัสให้ข้าพเจ้าเป็นอุปัถาของพระองค์เองความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วที่ประชุมเงียบไปครู่หนึ่งไม่มีผู้ใดไหวกายหรือวาจาเลยเงียบสงบเหมือนไม่มีภิกษุอาศัยอยู่ณที่นั้นเลยภิกษุทุกรูปนั่งสงบไม่มีแม้แต่เพียงเสียงไอหรือเสียงจามหรืออาการกระดุกกระดิก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 ความรอบคอบสุ ข, ขุมของพระผู้มีพระภาคที่ตรัสเช่นนั้นความจริงหากพระองค์จะไม่ตรัสในที่ประชุมสงฆ์แต่ตรัสเฉพาะพระอนุนเองพระอนุนก็พอใจที่จะอุปทาใกล้ชิดพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาแต่เพื่อจะยกย่องพระอนุนและให้สงรับทราบในอัธยาศัยของพระอนุนพระองค์จึงปรารบเรื่องนี้ท่ามกลางสงฆ์ความเป็นจริงพระอนุน ได้สั่งสมบารมีมาเป็นเวลาหลายร้อยชาติเพื่อตำแหน่งอันมีเกียดนี้พระอนุนเป็นผู้รอบครอบมองเห็นการไกลเมื่อพระผู้มีพระภาคและพระสงฆ์มอบตำแหน่งนี้ให้แล้วจึงทูลขอเงื่อนไขาบางประการดังนี้ แต่พระผู้เป็นนาถาของโลกเมื่อข้าพระองค์รับเป็นพุทธุปถากแล้วข้าพระองค์ทูลขอพระกรุณาบางประการคือ 1. ขอพระองค์จะได้ประทานจีวร อ, อันประณีตที่มีผู้นำมาถวายแก่ข้าพระองค์เลย 2. ขอพระองค์จะได้ประทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองค์ได้แล้วแก่ข่าพระองค์ 3. ขอพระองค์จะได้ให้ข้าพระพุทธองค์อยู่ในที่ที่เดียวกันกับพระองค์ประทับ 4. ขอจะได้พาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ซึ่งพระองค์รับไว้ดูก่อนอา น, นุ์เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอเงื่อนไขสี่ประการนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลขอพรทั้งสี่ประการนี้เพื่อป้องกันมีให้คนทั้งหลายตำหนิดได้ว่า ข้าพระองค์รับตําแหน่งพุธทธุปทาเพราะเห็นแก่ลาบสการะพระอนนลยังได้ทูลขึ้นอีกในบัตรนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดข้ออื่นยังมีอยู่อีกคือ 5. ขอพระองค์โปรดกรุณาเสด็จสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้เมื่อพระองค์ไม่อยู่ 6. ขอให้ข้าพระองค์ได้พาพุทธบริษัทเข้าเฝ้าพระองค์ได้ ในขณะที่เข้ามาเพื่อจะเฝ้าเจ็ดถ้าข้าพระองค์มีความสงสัยเรื่องใดเมื่อใดขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามได้ทุกโอกาสอานน์เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอพอรสามประการนี้ข้าพระองค์ทูลขอเพื่อป้องกันไม่ให้คนทั้งหลายตำหนิดได้ว่าข่าพระองค์บำรุงพระองค์อยู่ทาไมกันเรื่องเพียงเท่านี้ พระองค์ก็ไม่ทรงสงเคราะห์ข้าแต่พระจอมุนีข้ออื่นยังมีอีกคือแปดถ้าพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาในที่ใดแก่ผู้ใดเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้อยู่ด้วยขอได้โปรดเล่าพระธรรมเทศนานั้นแก่ข้าพระองค์อกีกครั้งหนึ่ง มนข่าพระองค์ทูลขอพรข้อนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าดูเถิดพระอานุ์ได้เฝ้าติดตามพระบรมศาสดาอยู่เหมือนเงาตามตัวแต่เมื่อถามถึงพระสูตรหรือชาดกหรือคาถาว่าสูตรนี้ชาดกนี้คาถานี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ใครที่ไหนพระอนนุ์ก็หารู้ไม่ เรื่องเพียงเท่านี้ยังไม่รู้จะมัวติดตามพระาศาสดาอยู่ทําไมเหมือนกบอยู่ในสระบัวแต่หารู้ถึงเกรสรบัวไม่พระพุทธองค์ทรงประธานพรทั้งแปดประการแก่พระอนนุ์พุทธอนุชาตามปรารถนาและพระอนนุ์ก็รับตําแหน่งพุทธุพทาตั้งแต่บัดนั้นมาพระผู้มีพระภาคมีพระชนมายุได้ห้าบ้าพรรษา เป็นปีที่20จําจำเดิมแต่ตรัสรู้มาส่วนพระอาหนุนมีอายุได้ห5ปีเช่นกันแต่มีพรรษาได้19จําจำเดิมแต่อุปสมบท จากเวลาที่พระ อ, อ น, นุ์รับเป็นพุทธุปทาไปเป็นเวลา55ปีในพระราชวังอันโออ่าของกษัตริย์สกรยาราชมีการประดับประดาประเทศโคมไฟเป็นระยะสว่างสวัยไปทั่วเขตพระราชวางังพระเจ้าสุโกธนะอนุชาแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงกมิลพัฒมีพระพักแจ่มใสตลอดเวลาทรงทักคนนั้นคนนี้ด้วยความเบิกบานพระไทย พระประยุร ญ, ญาตและเสนาขราชบริพารมีความปรีดาปลาโมดอย่างยิ่งที่มีพระราชกุมารพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในโลกเขาพร้อมใจกันถวายพระนามราชกุมารว่าอานั t ทะเพราะนิมิตที่นำความปรีดาปลาโมดและความบันเทิงสุขมาให้เจ้าชายอานันทะอุบัติขึ้นวันเดียวกับพระราชกุมารสิท ธ, ธะก้าวลงสู่โลกนั่นแล ร, ราชกุมารทั้งสองจึงเป็นสาชาติกันมาสู่โลกพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนับว่าเป็นคู่บรารมีกันโดยแท้เจ้าชายอานันทะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเท่าที่ราชกุมารในราชสกุลจะพึงได้รับพระองค์เติบโตขึ้นภายใต้ความชื่นชมโสมนัสแห่งพระราชบิดาและพระประยุร ญ, ญาตเจ้าชายเป็นผู้ถ่อมตน สูภาพอ่อนโยนและว่าง่ายมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพระชวีผุดพองพระวรากายงามสงา่าสมสกุลกษัตริย์ทรงได้รับการศึกษาอย่างดีจากสำนักอาจารย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในแคว้นส ก, กะจนกระทั่งพระชนามายุสมควรจะมีคู่ครองแต่ก็หาปรากฏว่าพระองค์ทรงชอบพอสตรีคนใดเป็นพิเศษไม่ การเสด็จออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธาตะมากุฏราชกุมารแห่งกระบิลพัฒนครได้กอ่อความสะเทือนพระทัยและพิศวงงวงวยแก่เจ้าชายอานันธะยิ่งนักพระองค์ทรงดำริอยู่เสมอว่าเจ้าพี่คงมองเห็นทางปลอดโปร่งอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงสละราชสมบัติออกบรรพชาจนกระทั่งหกปีหลังจากพระสิทธากุมารออกสแสวงหาโมขธรรมแล้ว มีข่าวแพร่สะบัดจากนกครราชฤกเข้าสู่นครหลวงแห่งแคว้นสก่ะว่ า, า, า, วาบัดนี้พระมหามุนีโคตมะสักยะบุตรได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและเทศนาสั่งสอนปวงชนชาวมคตอยู่เจ้าชายอานันธะทรงกำหนดพระไยว่าเมื่อใดพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่นครกรบิลพัฒพระองค์จะขอบวชในสานักของพระพุทธองค์วันหนึ่ง นสันถาคารแห่งกรุงก บ, บิลพัทสาขาญาราชทั้งหลายประชุมกันมีพระราชกุมารหลายพระองค์เข้าประชุมด้วยพระเจ้าสุโธธนะซึ่งบัดนี้เป็นพุทธบิดาทรงเป็นประธานพระองค์ทรงปราลบว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ท่านคงได้ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ใช่ใครอื่นคือสิทธะราชกุมารบุตรแห่งเรานั่นเองทราบว่า ขณะนี้กําลังประทับอยู่ณนะกรุงราชคลึราชธานีแห่งพระเจ้าพิมพิสารข้าพระเจ้าขอปรึกษาท่านทั้งหลายว่าเราควรจะส่งคนของเราไปทูลเสด็จมาเมืองเราหรือว่าควรจะคอยจนกว่าว่าพระองค์จะเสด็จมาเองผู้ใดมีความเห็นอย่างไรขอให้แสดงความคิดเห็นได้มีราชกุมารองค์หนึ่งชูประหัดขึ้นเมื่อได้รับอนุญาตให้พูดได้แล้ว พระองค์จึงแสดงความคิดเห็นว่าข้าแต่สากยาราชทั้งหลายข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเราไม่ควรทูลเชิญเสด็จข้าพเจ้ามีเหตุผลว่าเมื่อตอนเสด็จออกผนวตนั้นพระสิทธตะก็ไม่ได้ทูลใครแม้แต่สมเด็จพระราชบิดาเองอีกประการหนึ่งกบิลพัทเป็นคนครของพระองค์เรื่องอะไรเราจะต้องเชิญเจ้าของบ้านให้เข้าบ้านเมื่อพระสิทธตะโอ้อวดว่าเป็นพระพุทธเจ้า จะไม่กลับเข้าบ้านของตนเองก็แล้วไปเมื่อพระองค์ไม่คิดถึงพระชนกหรือพระประยุร ญ, ญาตทั้งหลายเราจะคิดถึงพระองค์ทำไมข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าตรงถึงกับเชื้อเชิญแล้วก็มากเรื่องไปราชกุมารตระจบแล้วก็นั่งลงท่านใด น, นั้นพระราชกุมารอีกองค์หนึ่งก็ลุกขึ้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและสาขยะอวงทั้งหลาย ข้อที่เจ้าชายเทวทตัตกล่าวมานั้นไม่ชอบด้เหตุผลข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยเจ้าชายสิทธัตถะแม้จะเป็นยุพ ร, ราชมีพระชนมายุอย่างยาวก็จริงแต่ว่าพระองค์นั้นบัตรนี้เป็นนักพรตและม่ใช่นักพรตธรรมดายังเป็นถึงพระพุทธเจ้าอีกด้วยแม้แต่นักพรตธรรมดาเราพูดถือตัวว่าเป็นกษัตริย์ก็ยังต้องให้เกียรติถวายความเคารพนับถือเมื่อเป็นเชน่นนี้เหตุชะนายเรา เราจะให้เกียรติแก่พระสิทธถะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าและประญาติของเราไม่ได้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าตำแหน่งอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นตำแหน่งที่สูงส่งมากเพระมหาจักรพรรดิยังต้องถวายพระเกียรติทำไมคนขนาดเราจะถวายพระเกียรติไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะส่งทูตไปเชิญเสด็จพระองค์เข้าสู่กบิลพัฒน์พระราชากรมานั่งลงการที่เจ้าชายอาณนทะเสนอมานั้น เจ้าชายเทวทัตคานโดยอ้างตำแหน่งพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นที่ตั้งกความเป็นพระพุทธเจ้านั้นใครๆก็อาจเป็นได้ถ้ากล้ากโกหกชาวโลกว่าตัวเป็นพูดเอาเองใครๆก็พูดได้เทวทัตเจ้าสากยะผู้สูงอายุผู้หนึ่งลุกขึ้นพูดถ้าเจ้าชายสิทธัตถะจะลวงโลกว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เธอเข้าใจแล้วเราก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องเชิญเสด็จยิ่งขึ้น เพื่อจะได้รู้ให้แน่นอนว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือพระพุทธเจ้าปลอมสันถารขานเงียกฤตพระเจ้าสุโทธทนาจึงตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายถ้าเราจะมัวเถียงกันแบบนี้สักกี่วันก็ไม่อาจจะตกลงกันได้ต่างคนต่างก็มีเหตุผลน่าฟังด้วยกันทั้งนั้นข้าพเจ้าอยากจะให้เรื่องจบลงโดยเสียงข้างมาก ข้าพเจ้าขอถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นว่าสมควรเชิญเสด็จทูตของเรามาสู่เมืองขอให้ยกพระหัตถ์ขึ้นจบพระสุรเสียงของพระเจ้าสุโธทนะมีพระหัตถ์ของสากยะวงยกขึ้นสลอนมากมายแต่ไม่ได้นับเพราะเห็นว่ายังเหลืออยู่เป็นส่วนน้อยเหลือเกินคราวนี้ท่านผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรจะเชิญเสด็จขอให้ยกพระหัตถ์ขึ้น ปรากฏว่ามีสองพระหัตถ์เท่านั้นคือเจ้าชายเทวทัตและพระสหายคู่พระไทยเป็นอันว่าเสียงในที่ประชุมเรียกร้องให้ทูลเสด็จพระผู้มีพระภาคเข้าสู่กบิลพัทเจ้าชายอานันพอพระไทยเหลือเกินทูลอาสาจะไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยตนเองแต่พระเจ้าสุตโตทนาทรงห้ามเสียเจ้าชายเทวทัตข้างแขนพระไทยยิ่งนักตั้งแต่เป็นพระราชากุมารน้อยๆโดยกันมา ไม่เคยมีชายชนะเจ้าชายสิท ธ, ธาเลย เนนพราะผู้มีประภาคเสดจจากอุรุเวลาเสนานิคมตำบลทีรร่สัตรูไปสู่อิสิปัตนามิกทายเพื่อโปรดปัญจวัคคีแล้วโปรดพระยสะและชดินสามพี่น้องพร้อมบริวารแล้วเสดเข้าสู่กรุงราชคลึเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามเป็นจิญญาณที่พระองค์ให้ไว้เมื่อเสดผ่านมาทางราชคลึสมัยเมื่อแสวงหามมคธรมได้รับวัดเวรุวันสวนไม้ไผ่ เป็นอารามสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้วข่าวกระชอนทั่วไปทั้งพระนครราชคฤตและเมืองใกล้เคียงทรงได้อัครส า, าวกซ้ายขวาคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะเป็นกำลังสำคัญในเวลาเย็นชาวนครราชกฤตมีมือถือดอกไม้ทูบเทียนและน้ำปานะมีน้ำอ้อยเป็นต้นไปสู่อารามเวฬุวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนา และถวายน้ำปานะแก่พระพิสุสง ทรงทูดมาเชิญพระผู้มีพระภาคเพื่อเสด็จกลับพระนครแต่ปรากฏว่าทูดก้าวคณะแรกนั้นไปถึงแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาเลื่อมสายสธาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทและไม่ได้ทูลเสด็จพระพุทธองค์ต่อมาถึงทูดคณะที่สิบซึ่งมีกาลุทายิมหาอามาตเป็นหัวหน้าไปถึงวัดเวรุวันได้ขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาค แล้วยิงทูลอรัธนาพระองค์ตามพระดำรัสของพระพุทธบิดาพระผู้มีพระภาคมีพระอาหารหันตะขีนาศจำนวนประมาณสองหมื่นเป็นบริวารเสร็จจากนครราชฤลิ์สู่นครกบิลพัทวัลยโยธวัลยโยธรวมหกสิบวันในระหว่างทางได้ทรงประทานพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนให้ดำรงอยู่ในกุณวิเศษต่างๆตามอุปนิสัยจนกระทั่งถึงนครกบิลพัท พระพุทธบิดาเตรียมรับเสด็จพระพุทธองค์โดยสร้างวัดนิโครทารามถวายเป็นพุทธนิวาสการเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมโสมนาฏของพระประยุรญาติยิ่งนักเพราะเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วที่พระองค์จากไปโดยพระญาติไปได้เห็นเลยแม้แต่เงาของพระองค์วันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกบินธบาติผ่านมาทางปราสาทของพระบิดาพระเจ้าสุโธธนะ ทอดพระเนตรเห็นแล้วรีบสเสด็จลงไปจับชายจีวรของพระองค์แล้วกล่าวว่าสิทธถะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ตระกูลของเจ้าเป็นคนขอทานหรือสากยะวงไม่เคยทำเลยเจ้าทำให้วงของพ่อเสียบ้านของเจ้าก็มีทำไมจึงไม่ไปรับอาหารที่บ้านเที่ยวเดินขอทานชาวบ้านอยู่พ่อจะเอาหน้าไปไว้ไหนพ่อเป็นจอมคนในแผ่นดินเป็นกษัตริย์ลูกมาทำตนเป็นขอทานมหาบพิษ บัดนี้อาตมาภาพไม่ใช่สักยะวงแล้วอาตมาภาพเป็นอริยวงเป็นพุทธวง์พระพุทธเจ้าในอดีตทุกๆพระองค์ทรงกระทำอย่างนี้ทั้งนั้นอาตมาภาพธรมก็เพื่อรักษาวงของอาตมาภาพไมิให้สูญหายสำหรับบ้านของอาตมาภาพก็ไม่มีอาตมาภาพเป็นอนาคาริกะมุนีผู้ไม่มีเรือนช่างเถิดสิท ธ, ธะเจ้าจะเป็นวงอะไรจะมีเรือนหรือไม่มีเรือนเพ่อไม่เข้าใจแต่เจ้านั้นเป็นลูกของพ่อเจ้าจากไปเจ็ดปีเศษ พ่อคิดถึงเจ้าสุดประมาณพิมพาหรือก็ข้ามควรถึงแต่เจ้าราหุลเล่ามีบิดาเหมือนไม่มีเวลานี้เจ้าจะต้องไปบ้านไปพบลูกพบชายาและพระยาที่แก่เท่าว่าแล้วพระเจ้าสุดโทนะก็นำเสด็จพระพุทธองค์ไปสู่พระราชวังถวายขาธนยะโภชนียาหารอัปราณีตสมควรแก่กษัตริย์พระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พระบิดาเป็นพระสกทาคามี และพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระหน้านางเป็นพระโสดาบันแล้วเสด็จกลับสู่วิโครทาราม ขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณนิโครธารามกรุงกบิลพัฒน์นั้นมีเจ้าชายในศากยะวง์หลายพระองค์ได้เสด็จบรรพชาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ตามทางแห่งพระพุทธองค์พระโลกกนาาสํารานพระอิลิยาบทอยู่ณนิโครธารามตามพระอัจฉริยะใพอสมควรแล้วทรงละกบิลพัฒน์ไว้เบื้องหลังเสด็จสู่มรณะสํารานพระเอลิยาบทอยู่ณอนุปิยะอัมภวันเมื่อพระศาสดาจากไปแล้ว เจ้าสากย่าทั้งหลายวิภาควิจารณกันว่าเจ้าชายเป็นอันมากแต่ออกบวชตามพระศาสดายัางเหลือแต่เจ้าชายอานน์เจ้าชายอนุรุตเจ้าชายมหานามเจ้าชายพัทธิยะเป็นต้นไม่ได้ออกบวชตามความจริงเจ้าชายเหล่านี้พระญาตแต่ถวายให้เป็นเพื่อนเล่นเป็นบริพารของสิท ธ, ธะในวันขนานพระนามเจ้าชายเหล่านี้คงจะไม่ใช่ญาติของพระพุทธองค์กระมังจึงอยู่เฉยไม่ได้ออกบวชตาม เจ้าชายมหานามซึ่งเป็นผู้ใหญ่ได้ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังนี้รู้สึกละอายพระไทยจึงปรึกษากับพระอนุชาคือเจ้าชายอนุรุตว่าเราสองคนพี่น้องควรจะออกบวชเสีคนหนึ่งในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะให้พระอนุชาออกบวชแต่พระมารดาไม่ทรงอนุญาตลูกรักเจ้าจะบวชได้อย่างไรการบวชไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเจ้าจะต้องเสวิรวันละมือ ต้องเสด็จด้วยพระบาทเปลา่าต้องบรรทมอย่างง่ายๆปราศจากฟูกหมอนั่นอ่อนนุ่มใช้ไม้เป็นเคนต้องอยู่ตามโคนไม้หรือท้องถ้ำเมื่อต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นเมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนด้วยเหตุนี้แม่จึงไม่ต้องการให้เจ้าบวชข้าแต่พระมารดาหม่อมฉันทราบว่าการบวชเป็นพานลำบากและไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อพระญาติทั้งหลายซึ่งเคยมีความสุขสบายอย่างหม่อมฉันนี่แหละยังสามารถบวชได้ ทำไมหมอมฉันจะบดบปางไม่ได้อีกประการหนึ่งมาพูดถึงความสะดวกสบายพระบรมศาสดาเคยสะดวกสบายกว่าหมอมฉันมากนักพระองค์ยังสามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนทำไมหมอมฉันจะอยู่ไม่ได้น่าจะมีความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งมาทดแทนความสะดวกสบายที่เสียไปและเป็นความสุขที่ดีกว่าประนีตกว่าหมอมฉันคิดว่าหมอมฉันทนได้ลูกรักถึงแม้ว่าเจ้าจะทนอยู่ในเพศปันปะชิตได้ แต่แม่ทนไม่ได้แม่ไม่เคยเห็นลูกลําบากและแม่ไม่ต้องการให้ลูกลําบากลูกเป็นที่รักสุดหัวใจของแม่แม่ไม่อยากจะอยู่ห่างลูกแม่เพียงวันเดียวจะกล่าวไปยัยถึงยอมให้ลูกไปบวชซึ่งจะต้องอยู่ห่างแม่เป็นแรมปีอันหนึ่งเล่าแม่ไม่เห็นว่าจําเป็นอย่างไรที่จะต้องบวชถ้าลูกต้องการจะทําความดีแล้วการเป็นอยู่อย่างกระหดหัดก็ทําได้และก็ดูเหมือนว่าจะทําได้สะดวกกว่าได้ซ้าไป อย่าบวชเลยลูกเชื่อแม่เถอะว่าแล้วพระนางก็เอาพระหัตถ์รูปเส้นพระเกศาเจ้าชายด้วยความการุณาข้าแต่มารดาพูดถึงความลําบากยังมีคนเป็นจำนวนมากในโลกนี้ที่ลําบากกว่าเราอย่างน้อยก็ลําบากกว่าบรรพชิตพูดถึงเรื่องการต้องจากกันระหว่างแม่กับลูกยังมีการจากกันอีกอย่างหนึ่งซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าการจากไปบวชนั่นคือการต้องจากเพราะความตายมาถึงเข้า และทุกคนจะต้องตายหนีไม่พ้นถูกแล้วท่มารดาบอกว่าการทำความดีนั้นอยู่ที่ไหนก็ทาได้แต่ว่าการออกบวชอาจจะทำได้ดีกว่ามากกว่าเพราะว่ามีโอกาสมากกว่าถ้าจะเปรียบด้วยภาชนะสำหรับรองรับน้ำาภาชนะใหญ่ย่อมรองรับน้ำได้มากกว่าภาชนะเล็กและภาชนะที่สะอาดย่อมไม่ทำให้น้ำสกปรกเพราะฉะนั้นลูกจึงเห็นว่า การบวชเป็นสมบัตภาชนะใหญ่ที่สะอาดเหมาะสําหรับรองรับน้ําคือความดีลูกรู้ได้อย่างไรในเมื่อลูกเองก็ยังไม่ได้บวชความคิดนั้นอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ลูกยังไม่รู้แต่ลูกอยากจะลองเอาอย่างนี้ดีไหมคือถ้าเจ้าชายพัติยะพระสหายของเจ้าออกบวชแม่ก็อนุญาตให้ชาบวชได้พระนางเข้าพระถัยว่าอย่างไรเสียเจ้าชายพัตยาก็คงไม่บวชแน่ เจ้าชายอนุรุทธาดีประทัยมากที่พระมารดาตรัสคำนี้เพราะองค์จึงรีบสเสด็จไปหาพระสหายตรัสว่าพัติยาข้าพเจ้าปราถนาจะบวชตามสเสด็จพระศาสดาแต่การบวชของข้าพเจ้านั้นเนื่องอยู่ด้วยท่านคือพระมารดาตรัสว่าถ้าท่านบวชจึงจะอนุญาตให้ข้าพเจ้าบวชสหายข้าพเจ้าก็คิดจะบวชอยู่เหมือนกันแต่ยินคนวิพาก์วิจารแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ พระศาสดายังบวชอยู่ได้ทำไมพวกเราจะบวชไม่ได้เจ้าชายอนุรุธดีพระไทยเป็นที่สุดเมื่อทูลพระมารดาแล้วทั้งสองสหายก็ได้ชักชวนเจ้าชายอีกสี่พระองค์คือเจ้าชายอนนุนเจ้าชายพคุเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายเทวทัตเป็น6พระองค์เสด็จออกจากพระนครกบิลพั์มุ่งสู่อนุปิยะอัมพวันแคว้นมาละเมื่อเสด็จถึงรมแดนระหว่างสักกะและแคว้นมาละ พราชกุมารทั้ง6ก็รับสังหในใยอุบาลีผูสามาลาซึ่งตามสเสด็จมาส่งกลับไปสู่นครก บ, บิลพั์พร้อมด้วยเปลืองพระภูสาซึ่งมีราคามากมอบให้อุบาลีนำกลับไปในขณะที่6พระราชกุมารและนายอุบาลีผูสามาลาจะแยกกันนั้นราวป่าประหนึ่งว่าจะถึงซึ่งอาการร้องไห้มหาปัตพีมีอาการสถทานสะเทือนเสมือนจะแยกออกจากกัน อุบาลีจำใจจากพระราชกคมารกลับมาทางเดิมได้หน่อยหนึ่งจึงคิดว่าการที่จะนำเครื่องประดับอันมีค่าซึ่งเจ้าของสละแล้วโดยปราศจากความห่วงใยไปขายเลี้ยงชีพตามคำของพระราชกคมานนั้นปานประหนึ่งว่าผู้คลื่นน้ำลายซึ่งเจ้าของถมทิ้งแล้วจะประโยชน์อะไรที่จะทำอย่างนั้นเกิดสังเวชสลดจิตจึงเอาเครื่องประดับเหล่านั้นแขวนไว้ที่กิ่งไม้แห่งหนึ่ง แล้ววิ่งกลับไปแจ้งความประสงค์กับพระราชกุมารว่าข้าแต่นายข้าพระเจ้าขอตามเสด็จไปด้วยเพื่อจะได้รับใช้พระองค์ต่อไปพระราชกุมารทั้ง6ทรงปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่งจึงยินยอมให้อุบาลีตามเสด็จด้วยพระกุมารทั้ง6พระองค์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลขอบรรพชาอุปสมบทและทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้มีทิฐิมานะมาก มาบวชพร้อมโดยอุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้มาก่อนถ้าข่าพระองค์ทั้งหลายบวชก่อนก็จะพึงใช้อำนาจกับเขาอีกเพราะฉะนั้นขอให้พระผู้มีพระภาคให้การอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนเถิดเพื่อข่าพระองค์ทั้งหลายจะได้อภิวาทลุกรับเมื่ออุปสมบทแล้วเป็นการทําลายทิฏฐิมานะไปในตัวเพื่อประโยชน์ในการประพุทธภูมจันทร์เมื่อบวชแล้วไม่นานพระพัติยะพระภคุ พระกิมพิละและพระอนุรุตก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตได้สําเร็จฌานแห่งปุถุชนส่วนพระอานนท์ซึ่งมีพระเพลธถาสสีเป็นพระอุปชาและมีพระปุณณมันตานีบุตรเป็นพระอาจารย์ได้สําเร็จเป็นโสดาบันหลังจากอุปสมบทแล้ว39บพรรษาพระอานนท์ได้รับตําแหน่งเป็นพุทธประธากดังกล่าวแล้วแต่หนหลัง ที่ประจําของพระอนุ์คือ 1. ถวายน้ำสองชนิดคือทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อน 2. ถวายไม้สีฟัน3ขนาดขนาดเล็กกลางและใหญ่ 3. นวดพระหัตถและพระบาท 4. นวดพระปิะดาสดงและ 5. ปัดกวาดพระคันทกคุดีและบริเวณพระคันทกคุดีในลาตรีการท่านกําหนดในใจว่า เวลานี้พระผู้มีพระภาคคงจะต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือรับสั่งนั้นรับสั่งนี้แล้วท่านเ ข, าเข้าไปเฝ้าเป็นระยะระยะเมื่อเสร็จขิดแล้วก็ออกมาอยู่ยามหน้าพระคันธกุดีกล่าวกันว่าท่านถือประทีปด้ามใหญ่เดินวนเวียนพระคันธกุดีของพระผู้มีพระภาคถึงคืนละแปดครั้งอันว่าท่าน อ, อ น, นุนี้สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่งนัก ไม่ได้รับมอบหมายสิ่งใดจากพระพุทธองค์แล้วท่านทำไม่เคยบกพร่องเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนาธิโกศลทรงศรัทธาปรารถนาจะถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเป็นประจําและทูลอรรถนาพระพุทธองค์ให้เสด็จเข้าวังทุกๆวันพระจอมุนีทรงปฏิเสธอย่างละมุนละม่อมว่ามหาบาพิษธรรมดาว่าพระพุทธเจ้านั้นย่อบไปที่ต้องการของคนทั้งหลายเป็นอันมาก ผู้จำนวหวังเพื่อทำบุญกับพระพุทธเจ้ามีเป็นจำนวนมากอันหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ควรไปในที่ที่มีผู้ที่มนเพียงแห่งเดียวควรสงเคราะห์แก่คนทั่วไปถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิสูรรูปใดรูปหนึ่งเป็นประมุขนำพระสงฆ์มารับโภชนาหารในนิเวศของข้าพระองค์เป็นประจำเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอ น, นุ์ นำภิกษุจํานวนมากไปสู่ราชนิเวศเป็นประจําในสองสามวันแรกพระเจ้าประสเสนทิทรงอังคาดภิกษุด้วยโภชนาหารอันปราณีตด้วยพระองค์เองแต่ระยะหลังๆมาพระองค์ทรงลืมภิกษุทั้งหลายคอยชนสายพระองค์ก็ยังไม่ทรงตื่นบรรทมภิกษุทั้งหลายจึงกลับไปเสียเป็นจํานวนมากและเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าภิกษุทั้งหลายก็ไม่มาคงเหลือแต่พระอนนองค์เดียวเท่านั้น เป็นธรรมเนียมในพระราชวังถ้าพระราชาไม่สั่งใครใครจะทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้น ร, ราชาบริพารทิ้งไม่สามารถจัดอาหารถวายพระสงฆ์ได้วันหนึ่งพระราชาตื่นบนรรทมแต่เช้าสั่งจัดอาหารถวายพระเป็นจํานวนร้อยเมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จออกเพื่อถวายพระกระยาหารไม่ทอดพระเนตรเห็นพระอื่นเลยนอกจากพระอานนท์ซึ่งอดทนมาทุกวันพระเจ้าเปรสันที่ทรงพิโรธยิ่งนัก เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทันทีกราบทูนว่าพระองค์ผู้เจริญสาวกของพระองค์ไม่เห็นว่าการนิมนต์ของข้าพระองค์เป็นเรื่องสำคัญเลยข้าพระองค์นิมนต์พระไว้เป็นจำนวนร้อยแต่มีเพียงพระอานนท์องค์เดียวเท่านั้นที่ไปรับอาหารจากพระราชวังข้าวของจัดไว้เสียหายหมดมหาบพิษพระสงฆ์คงจะไม่คุ้นเคยกับราชะกูลกระมังจึงกระทาเช่นนั้นมหาบพิษ สำหรับอานนนั้นเป็นมดิตเป็นผู้ที่เข้าใจเหตุการณ์และมีความอดทนยอดเยี่ยมเป็นบุคคลที่หาได้โดยยากอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนธิโกสลมีพระประสงค์จะให้พระนางมาริกาอัครมเหสีและพระนางวาสภาคติยาราชเทวีศึกษาธรรมพระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้พระอานนเป็นผู้ถวายความรู้พระนางวาสภาคติยาพระญาตของพระผู้มีพระภาคเรียนโดยไม่เคารพ คือศึกษาอย่างขัดเสียมิได้ส่วนพระนางมาริกาทรงตั้งพระไทยศึกษาด้วยดีพระ อ, อ น, นุ์ได้นำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์จึงตรัสว่า อ, อ น, นุนวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไม่ทําตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยสันฐานดีแต่ว่าหากลิ่นมิได้แต่ว่าวาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทาตาม เหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยมีสันฐานงามและมีกลิ่นหอมอานอน์เออย์ทำที่เรากล่าวดีแล้วนั้นย่อมไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากแก่ผู้ไม่ทําตามโดยเคารพไม่สาธยายโดยเคารพและไม่แสดงโดยเคารพแต่จะมีผลมากมีอนิสงฆ์ภัยศาลแก่ผู้ซึ่งกระทําโดยนัยะตรงข้ามมีการฟังโดยเคารพเป็นต้น จงรักภักดีและความเคารพรักในพระผู้มีพระภาคพระอนนต์มีอยู่อย่างสุดพณน า, นายอมสละแม้ชีวิตของท่านเพื่อพระพุทธองค์ได้อย่างเช่นครั้งหนึ่งพระเทวทัตร่วมกับพระเจ้าอาชาติศัตรูวางแผนสังหารพระจอมมุนีโดยการปล่อยนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันและมอมเล่าเสียส6หหม้อช้างนารากิรียิ่งขนองมากขึ้นวันนั้นเวลาเช้า พระพุทธองค์มีพระอนุนเป็นปัจฉาสมณะเข้าสู่นครราชฤท์เพื่อบิณฑบาตในขณะที่พระองค์กําลังรับอาหารจากสตรีผู้หนึ่งอยู่นั้นเสียงแผ่นๆของช้างนาราชิรีก็ดังขึ้นประชาชนที่คอยดักถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคแต่กระจายวิ่งเอาตัวรอดทิ้งภาชนะอาหารเกลื่อนกลาดพระพุทธองค์เหลียวมาทางซึ่งช้างใหญ่กําลังวิ่งมาด้วยอาการสงบ พระอานน์พุทธอนุชาเดินล้ามายืนอยู่เบื้องหน้าของพระผู้มีพระภาคโดยคิดจะป้องกันชีวิตของพระาศาสดาด้วยชีวิตของท่านเองพลีกไปเถิดอานนย์อย่าป้องกันเราพระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกประดุดโพและไสรเป็นที่พึ่งของหมูนกเหมือนน้ําเป็นที่พึ่งของปลาและป่า เป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์จตุบทเทวิบาศนชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ในสละชีวิตซึ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าข้าอย่าเลยอ น, นุนบารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรงตถาคตลงจากชีวิตได้ไม่ว่าสัตว์นิรชาญหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใด ขณะนั้นนาราคิรีวิ่งมาจนจะถึงพระจอมุณีอยู่แล้วเสียงร้องกรีดของหมูสตรีดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันทุกคนอกสันขวัญห น, นีนึกว่าครั้งนี้แล้วคงเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นพระาศาสดาผู้บริสุทธ์ดุจดวงตะวันพระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาซึ่งทรงอบรมมาเป็นเวลายืดยาวหลายแสนปีซ่านออกจากพระหฤทยัยกระทบเข้ากับใจอันคุกด้วยความมึนเมา ของนาราคิรีช้างใหญ่หยุดชะงักเหมือนกระทบกระท้อนเหล็กใหญ่ใจซึ่งเล่าร้อนกระวนกระวายเพราะโมหะของมันสงบเย็นลงเหมือนไฟน้อยกระทบกับอุตกะธาราพลันก็ดับพูบลงมันหมอบลงแทบพระมงคลบาทของพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงใช้ฟ้าพระหัตถ์อันวิจิตซึ่งสำเร็จมาโดยบุญญาธิการลูบศีรษะของพญาช้างพร้อมตัดว่านาราคิรีเออย เธอถือกำเนิดเป็นสัตว์ติระฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธอยาประกอบคำหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลละนานนาลาคีรีสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วใช้งวงควเคล้าเคลียประชงของพระผู้มีพระภาคเหมือนสารภาพผิดความมึนเมาและความตกพันปลาศนาการไปสิน้นนี่แลพุทธานุภาพ ประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์พากันสการะบูชาพระาศาสดาด้วยดอกไม้ของหอมจำนวนมากครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวนด้วยโรคลมให้รรพระอุทธรพระอนนทเป็นห่วงยิ่งนักจึงได้ปรุงยาคูเข้าต้มด้วยมือของท่านเองแล้วน้อมเข้าไปถวายเพราะพระพุทธองค์เคยตรัสว่ายาคูเป็นยาไล่ลมในท้องในลำไส้ได้ดีพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอานนท เธอได้ายาคูมาจากไหนข้าพระองค์ปรุงเองพระเจ้าข่าอานนท์ทำไมเธอจึงทำอย่างนี้เธอทำสิ่งที่ไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณะเธอทราบไม่ใช่หรือว่าสมณะไม่ควรปรุงอาหารเองทำไมเธอจึงมากๆถึงป่านนี้เอาไปเทเสถ่อ์อานนท์เราไม่รับยาคูของเธอดอกพระอานนท์ของก้มหน้านิ่งท่านไม่ปริปากโตแย้งเลย ครั้งหนึ่งพระกายของพระผู้มีพระภาคมักหมมได้สิ่งเป็นโทษเป็นเหตุให้ทรงอึดอัดมีพุทธประสงค์จะเสเวยยาระบายพระอ น, นุลทราบแล้วจึงไปหาหมอชีวโกโกมารพัฒแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบหมอเรียนท่านว่าขอให้ท่านกราบทูลให้พระองค์ทรงพรักผ่อนเพื่อให้พระกายชุ่มชื่นสักสองสามวันพระอ น, นุลก็กระทําตามนั้นได้เวลาแล้วท่านก็ไปหาหมออีก หมอชีวกในปรุงยาระบายพิเศษอบด้วยก้านอุบลสามก้านถวายให้พระผู้มีพระภาคสูรดมมิใช่เสวยปรากฏว่าทรงระบายถึงสามสี่ครั้ง ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคโครทารามนครกระ บ, บี่ลพัทพระองค์เพิ่งทรงฟื้นจากไายหนักไม่นานเท้ามหานามเข้าเฝ้าและทูลถามปัญหานหนักหนักเช่นปัญหาว่ายานเกิดก่อนสมาธิหรือสมาธิเกิดก่อนยานท่านพระอานนท์เห็นว่าจะเป็นการลำบากแก่พระผู้มีพระภาคจึงจับประหัตเท้ามหานามนำสิ็จออกไปข้างนอกและแก้ปัญหานั้นเสเองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ณ น, ะนะครเวสาลีทรงประชวนหนักและทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาทนั้นจนหายพระอนุนได้ทูลความในใจของท่านแต่พระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงพระประชวนอยู่นั้นข้าพระองค์กลุ่มใจเป็นที่สุดกายของข้าพระองค์เหมือนงอมระงมไปได้วยความรู้สึกเหมือนว่าทิศทั้งหลายมืดมน แต่ข่าพระองค์ก็เบาใจายอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระองค์คงจักไม่ปรินิพานจนกว่าจะได้ประชุมสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระอนน์นีิเองเป็นผู้ที่ออกแบบจีวรของพระสงฆ์ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตอยู่มาจนบัดนี้นับว่าเป็นเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังทันสมัยอยู่เสมอเข้าได้ทุกการทุกงานครั้งหนึ่ง ท่านตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปสู่ทักกินาชิรีชนบทพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นคณาของชาวมคตเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีคณาสั้นๆขั้นในระหว่างแล้วตรัสถามพระ อ, อนนลว่า อ, อนนลเธอจะทำจีบอลแบบนาของชาวมคตนี้ได้หรือไม่ลองทำดูก่อนพระเจ้าค่าต่อมา ท่านได้ทำการตัดเย็บจีวรแบบคันาของชาวมคตนั้นแล้วนำขึ้นทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วเห็นชอบด้วยรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายใช้จีวรที่ตัดและเย็บแบบที่ท่าน อ, อ น, นุนออกแบบนั้นพร้อมขนั้นได้ตรัสชมเชยท่าน อ, อ น, นุนท่ามกลางสงว่าภิกษุทั้งหลาย อ, อ น, นุนเป็นคนฉลาดมีปัญญา สามารถเข้าใจในคำที่เราพูดแต่โดยย่อได้โดยทั่วถึงพระอนุนนอกจากจะเป็นผู้กระตันญูต่อผู้ใหญ่แล้วยังสำนึกแม้ในอุปการะของผู้น้อยด้วยสิทธิของท่านเองที่กระทําดีต่อท่านเป็นพิเศษท่านก็อนุเคราะห์เป็นพิเศษเช่นคราวหนึ่งท่านได้จีวรมาเป็นจำนวนร้อยร้อยผืนซึ่งพระเจ้าปเสนโกศลถวายท่าน ร, รื้ถึงสิทธิรูปหนึ่งของท่าน ซึ่งทำอุปการะปฏิบัติต่อท่านดีมีการถวายน้ำล้างหน้าไม้ชำระฟันปัดกวาดเสนาสนะที่อาศัยเวทจกุดีเรือนไฟนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแปลว่าสิทธิผู้นี้ปฏิบัติ ด, ดีต่อท่านมากกว่าสิทธิอื่นๆและปฏิบัติสม่ำเสมอท่านจึงมอบจีวรที่ได้มานั่นทั้งหมดแก่สิทธิรูปดังกล่าวนี้